หัวข้อมหาสติปัฏฐานสูตรตอนทุกขอริยสัจความจริงเกี่ยวกับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นไฉนแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม้มรณะก็เป็นทุกข์แม้โศกปริเทวะทุกขะโทมานตุปายาตก็เป็นทุกข์แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์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 ก็ชราเป็นชไหนะความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นชไหนะความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทำลายความหายไปมรรตยุความตาย ความทำกาละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณนะก็โสกะเป็นชไหนความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผากนาภายในความแห้งผากนาภายใน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 ก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่กเกษมจักโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้น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 คือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาต์ตหรือญาติสาโลหิตซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นฉนหนความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดา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 แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็ความปราถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นอะขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ส่งความปราถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์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 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขะอริยสัจ